จเจรินพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่19มีนาคมพุทธศักราช2554เป็นวันพระวันธรมับบสวนระวันฟังธรรมวันที่สาธุชน ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ให้ปฏิบัติโดยได้ประร้วงไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปว่าสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิด น, นี่คือคำสอนคำสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราคำหนึ่งถึงประโยชน์ของเราและประโยชน์ของผู้อื่นที่จะตามมาต่อไปด้วยการทำหน้าที่สี่ข้อด้วยกันที่ทรงมอบให้เป็นหน้าที่ของ พุทธบริสัทสี 4. คือ 1. ให้ศึกษาพราะธรรมคำสอน 2. ให้ปฏิบัติพระธรรมคำสอนที่ได้ศึกษามา 3. ให้บรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติและการศึกษาและ 4. ให้นำเอาทมที่ได้บรรลุแล้วไปเผยแผ่แก่สาธุชนสัตว์โลกที่ยังไม่ ได้บรรลุที่ยังไม่ได้รู้จักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปวิธีนี้เป็นการทําประโยชน์ให้กับตัวเราเองเพราะเราจะได้รับประโยชน์คือเราได้บรรลุธรรมได้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายและเราและผู้อื่นก็จะได้รับประโยชน์ต่อจากเราหลังจากที่เราได้บรรลุธรรมแล้ว เราก็จะรู้ว่าวิธีที่จะสอนผู้อื่นนั้นเพื่อให้เขาได้บรรลุนั้นเป็นอย่างไรผู้อื่นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วน้อมาไปปฏิบัติก็จะได้บรรลุทำเช่นเดียวกันนี่คือวิธีที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาวิธีที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่กับโลกไปเป็นเวล า, ญญาวนานได้ ถ้าปราศจากการศึกษาการปฏิบัติการบรรลุธรรมและการเผยแผ่ธรรมแล้วต่อไปศาสนาก็จะเสื่อมหมดไปสาระหรือองค์ประกอบสำคัญของพระพุทธศาสนาจึงอยู่ที่ใจของพุทธศาสนิกชนไม่ได้อยู่ตามฐาล ว, วัถตถุต่างๆ เช่นโบสเจดีศาลากุติวิหารสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบส่วนย่อยไม่มีสิ่งเหล่านี้พระพุทธศาสนาก็ยังไม่เสื่อมถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมมีการเผยแผ่ธรรมถ้าตราบใดถ้าไม่มีการศึกษาธรรมไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุไม่มีการเผยแผ่ธรรม ดาบนั้นเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่พุทธศาสนาจะเสื่อมจะหมดไปจากโลกนี้ดังนั้นขอให้เราจงให้ความสนใจต่อสาระที่สําคัญของพระศาสนาอย่าไปให้ความสําคัญต่อสิ่งที่ไม่สําคัญต่อพระพุทธศาสนาเช่นท้าวลวัตถุต่างๆสิ่งเหล่านี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ พราะในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุใหม่ๆสมัยนั้นก็ไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์ไม่มีศาลาไม่มีวัดไม่มีกุฏิแต่มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสอนมีพระอริยสงสากเพราะมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมและมีการเผยแผ่ธรรม นี่คือเรื่องสำคัญอยู่ที่การศึกษาปฏิบัติบรรลุและการเผยแผ่นนี้เท่านั้นส่วนเรื่องการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างถาวรแลวัตถุต่างๆนี้เป็นเรื่องรองลงมาถ้าเรามีปัญญาหรือมีความสามารถที่จะทําที่จะสร้างถวายได้ก็ทําได้แต่ต้องไม่ลืม หน้าที่ที่แท้จริงของพวกเราจะสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุติสร้างอะไรให้สวยงามใหญ่โตมากน้อยเพียงไรก็สร้างได้แต่ต้องสร้างศางสนาให้เกิดขึ้นภายในใจเราศาสนาภายนอกนั้นมีการเจริญและมีการเสริมเป็นธรรมดาโบสถ์กุติวิหารเจดีย์ต่างๆสร้างไปแล้วไม่นานก็ต้องเสริมชำรด ต้องมาขอยดูแลบุรณะซ่อมแซมแล้วถ้าไม่มีการบุรณะซ่อมแซมก็จะพังไปในที่สุดแต่การพังของถาวลวัตถุต่างๆนี้ไม่ได้เป็นการพังของศาสนาการพังของศาสนาอยู่ที่การศึกษา <c oughs> การพังของการศึกษาปฏิบัติบรรลุและการเผยแพ่ธรรม แต่ถ้าเรามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการเผยแผ่มีการบรรลุธรรมแล้วศาสนาก็จะมีต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดสิ้นไปอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำเป็นตัวอย่างมาในเบื้องต้นพระองค์ก็ทรงศึกษาวิธีปฏิบัติเมื่อทรงทราบวิธีปฏิบัติแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติจนได้ตัดสโร ได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้นําเอาพระธรรมที่พระองค์ได้ทรงบรรลุนี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกจึงปรากฏเป็นธรรมมังสารนังกระฉามิและหลังจากที่มีผู้ให้ความศรัทธาในพระธรรมคําสอนน้อมนําออกไปปฏิบัติ ก็ปรากฏมีผู้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากปรากฏเป็นพระสงฆ์สาวกขึ้นมาเป็นสงฆ์เป็นพระสารณะสังฆะสารณะขึ้นมาพระพุทธศาสนานี้ยังมีครบทั้งสามองค์ที่สาคัญก็คือพระพุทธรัตณนะพระธรรมรัตณนะและพระสังฆรัตตนาะ เกิดขึ้นได้จากการศึกษาปฏิบัติบรรลุและเผยแผ่ธรรมเท่านั้นไม่ได้เกิดได้ด้วยวิธีอื่นใดทั้งสิ้นถ้าตราบใดยังมีการศึกษาปฏิบัติบรรลุธรรมเผยแผ่ธรรมตราบนั้นจะพระพุทธศาสนาจะไม่มีหมดสิ้นไปจากโลกนี้แต่แนวโน้มที่เห็นมาทุกวันนี้ ศาสนาเราจะเสื่อมลงไปมากเสื่อมลงไปตามลำดับเพราะการศึกษาการปฏิบัติการบรรลุ ธ, ธรรมนี่มีน้อยการเผยแผ่ธรรมถึงแม้จะมีก็เป็นการเผยแผ่ธรรมที่ไม่ได้ออกมาจากใจเป็นการเผยแผ่ธรรมที่เกิดจากการศึกษาแต่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้บรรลุ ธ, ธรรม แล้วก็นำเอาสิ่งที่ตนเองได้ศึกษามาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นซึ่งไม่ใช่เป็นธรรมแท้ไม่ใช่เป็นธรรมจริงไม่สามารถยังประโยชน์ให้ผู้ที่ศึกษานั้นเกิดศรัทธาแน้อมเอาไปปฏิบัติได้เพราะว่าผู้สอนก็สอนแบบผิดผิดถูกถูหรือสอนแบบไม่มั่นใจ หรือสอนไปตามจินตนาการความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับคนที่ไม่เคยไปสถานที่แห่งหนึ่งแล้วมาบอกผู้อื่นเพียงแต่ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับสถานที่นั้นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ถ้าตนเองยังไม่ได้ไปเห็นสถานที่นั้นตนจะไม่มีความมั่นใจในการพูดการบอกผู้อื่นและ จะบอกไม่ได้คบหรู้จงกับความจริงไม่เหมือนกับคนที่ได้ไปที่สถานที่แห่งนั้นแล้วแล้วกลับมาบอกผู้อื่นว่าเป็นอย่างไรฉันญาติโยมถ้าไม่เคยมาที่วัดญาณสังวรารามมาก่อนเพียงแต่ได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านเกี่ยวกับวัดยาณสังวรารามเวลาบอกคนอื่นญาติโยมก็จะบอกไปตามจินตนาการตามความ คิดความเห็นของตนซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริงก็ได้อาจจะตรงเป็นบางส่วนแต่ไม่ตรงครบหมดทุกประการผู้ฟังฟังแล้วก็จะบางครั้งก็อาจจะเกิดความลังเลสงสัยไม่มั่นใจได้ต่างกับคนที่ได้มาที่วัฏยาณสังวรารามนี้แล้วแล้วบอกผู้อื่นก็จะสามารถบอกได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เช่นว่าที่นี่มีกิจกรรมอย่างไรบ้างมีตอนเช้ามีการทำอะไรอยากจะทำบุญใส่บาตต้องมาเวลาไหนถ้าหลังจากเวลานั้นแล้วจะต้องไปที่ไหนต่อไปถ้าอยากจะทำบุญถ้าไม่เคยมาคำถามเหล่านี้นจะไม่สามารถตอบได้เช่นเดียวกับการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันเราจะไม่รู้ว่าการหลุดพ้น จากความทุกนี้ทําได้อย่างไรและหลังจากที่เกิดการหลุดพ้นจากความทุกแล้วเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้เราจะไม่สามารถพูดได้เพราะเราไม่มีความรู้สึกความจริงเหล่านี้อยู่ภายในใจของเราเหมือนกับถ้าเราไม่เคยรับประทานอาหารเพียงแต่ดูแต่รายการอาหารหรืออ่านเกี่ยวกับอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ ถ้าคนเขาถามว่าเป็นอย่างไรรสชาติเป็นอย่างไรอร่อยไหมดีไหมเราก็จะไม่สามารถตอบเขาได้ดังนั้นเราจึงต้องศึกษาแล้วก็ปฏิบัติก่อนจนกว่าที่เราจะบรรลุแล้วเราถึงจะไปเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นต่อไปถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะสั่งสอนแบบตาบอดคลําช้า เหมือนกับคนตาบอดซึ่งทำให้เกิดการสับสนเพราะแต่ละคนก็จะสอนไปคนละอย่างคนละแนวคนละวิธีคนไปได้ยินได้ฟังมาก็งงว่าไปฟังที่นี่ก็พูดอย่างนั้นไปฟังที่ตรงนู้นก็พูดอย่างนี้มีพูดอะไรที่มันไม่เหมือนกันสับสนผัดกันผู้ที่จะปฏิบัติตามก็เลยไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไร แล้ปฏิบัติก็มักจะไม่ได้ผลเพราะว่าคนสอนสอนไม่ถูกคนสอนไม่รู้ไม่เคยเห็นผลไม่เคยปฏิบัติแล้วจะไปสอนคนอื่นได้อย่างไรดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะทำประโยชน์ให้กับตัวเราและกับผู้อื่นและยังพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาวนานไปเรื่อยๆ เราก็ต้องทาตามตาขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติให้เราทำกันขั้นตอนแรกก็คือให้เราศึกษาพระธรรมคำสอนเช่นวันนี้เรากาลังได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือการศึกษาอาจจะศึกษาจากการฟังเทศน์ฟังธรรมกระดาษอาจจะอ่านหนังสือธรรมะต่าง ๆ, ๆก็ได้ หนังสือที่ดีที่มีประโยชน์มากก็คือหนังสือที่คัดมาจากพระไตรปิฎกซึ่งเป็นพระคเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงและคำสอนของพระอริยสงสารุกทั้งหลายพระปฏิบัติดี ป, ปฏิบัติชอบก็เป็นคำสอนที่ ท, ที่ที่มีคุณมีประโยชน์ถ้าเราศึกษาเราจะรู้ว่าคำสอนเหล่านี้ไม่ขัดกัน ถ้าขัดกันเราก็รู้เลยว่าใครเป็นคนสอนที่ไม่ถูกถ้าเราศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากหนังสือที่คัดมาจากพระไตรปิฎกโดยตรงเราก็จะรู้หลักของพระพุทธศาสนาว่าเป็นอย่างไรแล้วถ้าใครเอามาสอนที่แตกต่างจากหรือขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้ แต่ถ้าเราไม่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราไปศึกษาจากคำสอนของผู้อื่นซึ่งอาจจะถูกก็ ม, กมีอาจจะไม่ถูกก็มีถ้าเราไปเรียนจากผู้ที่สอนผิดๆการปฏิบัติของเราก็จะปฏิบัติแบบผิดๆแล้วผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาดังนั้นการศึกษานี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก อย่าไปมองข้ามไปโดยเด็ดขาดอย่าไปคิดว่าไม่ต้องศึกษาก็ได้ปฏิบัติเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทําควรจะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติไปแต่การศึกษานี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องศึกษาให้ครบถ้วนบริบูรณ์ก่อนแล้วค่อยนําไปปฏิบัติเราศึกษาที่เราเล็กทีละน้อยแล้ว เ, เอาส่วนที่เราศึกษานี้ไปปฏิบัติ เหมือนกับเราเรียนหนังสือตอนที่เราเข้ามป .1 เราก็เรียนการอากอไก่ขอไข่ไปเราก็เอากอไก่ขอไข่ไปท่องจําให้อยู่ภายในใจของเราแล้วเราก็มาเรียนวิธีสะกบ ว, วิธีเขียนเราก็เรียนไปตามขั้นตามลําดับไปไม่จําเป็นจะต้อง <c oughs> เรียนให้จบท่านปริญญาเอแล้วค่อยนํา แล้วค่อยมามาปฏิบัตนะิมันจะเสียเวลาโดยใช่เหตุนะการศึกษาพระธรรมคำสอนนี้ท่านก็สอนให้เราทำบุญให้ทานนี่เป็นเหมือนกอไก่ขอไข่ของการของการปฏิบัตินะตอนต้นเราก็ทำบุญให้ทานด้วยวิธีการต่างๆคือทำได้ถ้ากับวัดก็ได้ทำว่าให้กับผู้ที่ไม่ใช่ อยู่ที่วัดก็ได้เช่นทำให้กับโรงเรียนทำให้กับโรงพยาบาลทำให้กับสาธารณประโยชน์ต่งตางๆหรือทำให้กับบุคคลที่มีพระคุณกับเราเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์คือทำบุญกับท่านมีอะไรก็ให้ท่านช่วยเหลือท่านอย่างนี้ก็เป็นการทำบุญไม่ว่าจะทำกับ คารวะหรือทํากับพระก็เป็นการทําบุญครขอให้เราทําไปเรื่อยๆทําให้มากทําตามกําลังของเรามีมากก็ทํามากมีน้อยก็ทําน้อยให้เราเก็บไว้เท่าที่จําเป็นส่วนที่มีส่วนเหลือส่วนเกินอย่าเก็บเอาไว้แล้วก็อย่าไปหาม า, มากเกินกว่าที่เราต้องมีต้องมี ต้องมีเรื่องมีต่อความจําเป็นของเราเอาเท่าที่จําเป็นเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองอย่าเสียเวลาหาทรัพย์ที่ไม่จําเป็นต่อการดารงชีพของเราเพราะจะเสียเวลาแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้ไม่สามารถที่จะมา ทำให้ใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่กลับจะทำให้ใจของเรากลับมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเพราะเราจะต้องหวงต้องห่วงต้องกัวงวลต้องเสียดายเวลาที่เรามีซักมีแล้วก็อยากจะรักษาไว้ไม่ให้จากเราไปก็เลยต้องกลายเป็นยามาคอยเฝ้าสมบัติ แล้วก็เกิดความโลภอยากจะมีเพิ่มมากขึ้นไปอีกทั้งทั้งที่ไม่มีความจำเป็นแต่อย่างใดก็จะเสียเวลากับการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของแล้วก็หาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าเอาไปใช้ก็เอาไปใช้ในทางที่เป็นโทษกับจิตใจคือเอาไปใช้ไปใช้ตามความโลภตามความอยากต่างๆ ซึ่งเป็นต้นเหตุที่จะสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่มีให้น้อยลงเราต้องเข้าใจว่าใจเหล่านี้ไม่ได้มีความสุขจากการทำอะไรตามความอยากแต่กลับจะทำให้ใจของเรานี้มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความอยากนี้ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพออยากได้อะไรอยากจะทำอะไร พอได้ทำไปแล้วแล้วมันก็จะจางหายไปแล้วก็จะมีความอยากทำไปอีกเช่นการไปเที่ยวการไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเราทำมาตั้งนานแล้วเรารู้สึกอิ่มรู้สึกพอหรือยังรู้สึกหมดความทุกข์หมดความกังวลใจหรือยังมันไม่หมดหรอกแต่มันกลับจะทำให้เรามีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเพราะเวลาที่เราอยากได้ ไปเที่ยวหรือไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆแล้วเราไม่มีเงินทองที่จะไปซื้อได้ไปทำได้เราก็จะเกิดความเศร้าหมองเกิดความหงุดหงิดใจขึ้นมานี่คือการทำบุญเพื่อให้เราได้มีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจแล้วก็ไม่มีความทุกข์จากการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ แล้วเราจะได้มีเวลามาสร้างบุญที่สูงขึ้นไปถ้าเป็นนักเรียนก็เหมือนจะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปจากการทำบุญให้ทานเราก็จะได้เลื่อนขึ้นไปสู่ชั้นที่สองคือการรักษาศีนถ้าเราโม่แต่ทามาหากินหาเงินหาทองด้วยความโลภเราจะรู้สึกว่ารักษาศินนี่ยากเพราะว่า บางทีเราต้องพูดโกหกบางทีเราต้องโกงบ้างโกงเวลาหรือโกงอะไรต่างๆเพื่อให้เราได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เราต้องการเราก็จะรู้สึกการรักษาสีนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ถ้าเราทำบุญให้ทางอยู่เรื่อยๆใจของเราจะมีความเมตตาเราจะไม่รู้สึกอยากจะได้ของของคนอื่น และเราจะไม่รู้สึกอยากจะเบียดเบียนคนอื่นเราจะไม่รู้สึกอยากจะพูดปดมดเท็จหรือช่อโกงหรือทำอะไรที่เป็นผิดศีลผิดธรรมแล้วเราก็จะรู้สึกว่าการรักษาศีลนี่มันง่ายมากไม่ยากเยนอะไรเลยนี่คือการปฏิบัติตามขั้นตอนขั้นที่หนึ่งคือการทำบุญให้ทางขั้นที่สองรักษาศีล เมื่อเรารักษาศีลได้แล้วใจของเราก็จะมีความสงบมากกว่าเวลาที่เราไม่ได้รักษาศีลเวลาเราทำผิดศีลนี้ใจเราจะมีความว้าวุ่นขุ่นบัวมีความวิตกกังวลเวลาที่เราทำผิดศีลนี้เช่นเราพูดโกหกเราก็จะกังวลว่าเราจะถูกจับได้หรือเปล่าหรือถ้าเราไปลักทรัพย์ไปช่อโกงเราก็จะมีความวิตกกังวล หรือไปประพฤติผิดประเวณีมันจะไม่ได้ทำให้ใจของเราสงบเย็นสบายแต่ถ้าเราไม่ได้ทำผิดสิงใจของเราจะไม่มีความว้าวุ่นขุม่นมัวไม่เดือดร้อนจะมีความสุขในระดับหนึ่งและจะทำให้เราสามารถก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติขั้นที่สามได้ก็คือการภาวนาการภาวนานี้ก็คือการสร้างความสุขให้กับใจ และการบำบัดเลือดดำกำจัดความทุกข์ที่ยังมีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปต้องเกิดจากการภาวนาการทาบุญให้ทานการรักษาศีลนี้ทําให้เรามีความสุขและมีความทุกข์น้อยลงไปในระดับหนึ่งแต่ยังไม่หมดสิ้นไปยังมีความสุขและความทุกข์ความทุกข์ที่ละเอียดยังมีอยู่ภายในใจ และความสุขที่ละเอีกที่ดีกว่าความสุขจากการทำบุญให้ทานการรักษาศีลก็ยังมีอีกถ้าเราไม่ภาวนาเราก็จะยังไม่สามารถพบกับความสุขที่วิเศษได้เราจะไม่สามารถพบกับการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรได้อย่างหมดสิ้นได้ต้องมีการภาวนา การภาวนานี้ก็มีเป็นสองขัง้นตอนด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าสมถะภาวนาคือการทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นเรียกว่าสมถะภาวนาและขั้นที่สองก็คือวิปัสสนาภาวนาคือการทำใจให้ฉลาดให้เกิดปัญญาเพื่อจะได้ดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความหลง ความทุกข์ต่างๆนี้ไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากความหลงที่ไปสร้างความให้เกิดความอยากแล้วก็พอมีความอยากก็จะเกิดความทุกข์แต่ถ้ามีปัญญาก็จะสามารถแก้ความหลงได้ความหลงก็คือความเห็นผิดเป็นชอบความเห็นกลงจากเป็นดอกบัวแต่ถ้ามีปัญญาก็จะเห็นผิดเป็นผิดเห็นชอบเป็นชอบ เห็นกงจักรเป็นกงจักรเห็นดอกบัวเป็นดอกบัวคนที่มีปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ตาสว่างส่วนคนที่ไม่มีปัญญามีความหลงนี่เปรียบเหมือนคนตาบอดเราจึงต้องเจริญปัญญาเพื่อให้เกิดตาในขึ้นมาเพื่อดับตาบอดภายในใจของเราไปนั่นเองนี่คืองานที่เราต้องทําต่อ หลังจากที่เราทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วเราต้องฝึกทำใจให้สงบให้ได้ก่อนเพราะถ้าละใจยังไม่สงบนี้เราไม่สามารถสอนใจให้เกิดความฉลาดได้เพราะใจจะถูกดิเล่ความหลงความมืดบ่อนี้หลอกให้ไปทำสิ่งอื่นๆให้ไปชอบสิ่งอื่นๆให้ไปเรียนรู้เรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะทาให้ใจ สว่างขึ้นมาให้ใจหยุดพ้นจากความทุกข์ได้ดังนั้นในเบื้องต้นของการภาวนาเราจำเป็นจะต้องทำใจให้สงบและการจะทำใจให้สงบได้นี้เราต้องมีสติสตินี้เป็นเหมือนเชือกที่จะดึงใจเอาไว้ใจของเรานี้เป็นเหมือนลิงถ้าเราต้องการจับลิงเข้ากรงถ้าเราไม่มีเชือกคล้องคอมันไว้ เราดึงมันมานี้เราจะวิ่งไล่จับมันไม่ได้มันเร็วกว่าเราหลายร้อยเท่าด้วยกันแต่ถ้าเรามีเชือกคล้องคอลิงไว้แล้วเราคอยจับเาเชือกนี้ไว้เวลาเราต้องการให้ลิงนี้เข้าเข้ากรงเราก็เพียงแต่ดึงมันเข้ามามันก็ต้องมันก็ต้องมาตามที่เราดึงมันใจของเราก็เหมือนกันเวลาทําใจให้สงบหรือทําสมาธินี่ก็คือการจับ ดึงเข้ากลงนี่เองจับจิตเข้ากลงวิธีจะจับจิตเข้ากลงได้ก็ต้องมีสติสตินี้ก็คือการระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันคือเราต้องรู้อยู่แต่ในปัจจุบันอย่าไปรู้ในอดีตอย่าไปรู้ในอนาคตอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นให้คิดอยู่กับเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ เช่นเรากำลังทำอะไรก็ให้เรารู้อยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เรากำลังอาบน้าก็ให้เราอยู่กับการอาบน้ำกำลังกินข้าวก็ให้อยู่กับการกินข้าว <c oughs> <c oughs> กำลังทำอะไรก็ให้อยู่กับการกระทำนั้นๆอย่างนี้ใจของเราจะได้ไม่ลอยไปลอยมาถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เช่นเรากินข้าวไปเราก็คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้หรือเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ใจของเราก็จะลอยไปลอยมาเหมือนกับลิงก็เหมือนกับวิ่งไปวิ่งมาโดยที่เราไม่สามารถที่จะสั่งให้มันหยุดได้เพราะเราไม่มีเชือกแต่ถ้าเรามีเชือกพอใจเราจะไปคิดถึงเรื่องเมื่อวานนี้แล้วก็บอกว่าไม่ต้องคิดให้คิดอยู่กับเรื่องที่เรากาลังคิดอยู่กาลังกินข้าวก็ให้อยู่กับการกินข้าว จะไปคิดถึงเรื่องพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องไปคิดให้กลับมาอยู่กับการกินข้าวยกเว้นว่าถ้าเรามีความจําเป็นจะต้องคิดธุระต่างๆเช่นพรุ่งนี้เราจะต้องทําอะไรเราก็หยุดกินข้าวก่อนแล้วคิดให้พอ ท, ทําทีละอย่างอย่าไปทําหลายๆอย่างพร้อมๆกันถ้าจะไม่คิดเรื่องกินข้าวก็ต้องหยุดกินข้าวแล้วก็ไปคิดเรื่อง ที่เราจะทำต่อไปเช่นพรุ่งนี้เราจะไปทำอะไรมีทุนละที่ไหนอย่างไรก็คิดแล้วก็วางแผนเมื่อคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็หยุดคิดเรื่องอนาคตแล้วก็กลับมาอยู่กับเรื่องปัจจุบันต่อไปถ้าเราสามารถดึงใจของเราให้อยู่ในปัจจุบันได้เรื่อยๆต่อไปเวลาที่เรานั่งทำสมาธิเราก็จะสามารถ ควบคุมใจให้อยู่กับการบริกรรมพุทธโทธพุทธโธได้หรือควบคุมให้ใจอยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกได้ใจก็จะไม่ลอยไปไปในอดีตหรือไปในอนาคตใจก็จะอยู่กับงานที่เราให้ใจทำพอเรานน่นนิ่งเฉยๆแล้วบริกรรมพุทธโทธพุทโธหรือเราดูลมหายใจเข้าออกไปไม่นานใจของเราก็จะสงบนิ่งแล้วก็จะ มีความเบา อ, อกเบาใจมีความสุขใจมีความอิ่มใจมีความพอพอใจใจจะเป็นอุเบกขาคือจะนิ่งไม่รักไม่ชังไม่ดีใจไม่เสียใจนี่คือสมาธิถ้าเรามีสมาธิแบบนี้แล้วเราก็จะได้ใช้ใจที่เป็นสมาธินี้สอนใจได้ ในขณะที่อยู่ในสมาธิอยู่นิ่งเฉยก็อย่าเพิ่งไปสอนปล่อยให้นิ่งให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ให้ใจได้พักให้ได้ชาร์จแบตเตอรี่ให้มีพลังที่จะต่อต้านกับความโลภความโกรธความหลงซึ่งในขณะนั้นกำลังถูกกดเอาไว้ด้วยพลังของสมาธิแต่พอจิตมีความอิ่มตัวแล้ว อ ย, อยากจะออกจากสมาธิออกมาคิดเรื่องนั้นคิดดังนี้ก็ให้ควบคุมความคิดนี้ให้ไปคิดในทางปัญญาคิดอย่างไรถึงเรียกว่าคิดทางปัญญาพระพุทธเจ้าสอนว่าให้คิดสามลักษณะให้คิดว่าหนึ่งไม่มีอะไรในโลกนี้เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดมีการดับเป็นธรรมดา ให้คิดอย่างนี้เช่นให้คิดถึงเรื่องของลาบยศสรรเส ร, ริญ ส, สุขก่อนก็นได้ของที่พวกเราหลงอยากจะได้อยากจะมีกันอยากจะรวยอยากจะมีตำแหน่งสูงๆอยากจะให้คนยกย่องสรรเส ร, ริญอยากจะมีความสุขจากการสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราต้องเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดา มีเงินมาได้ก็มีเงินหมดไปได้รวยได้ก็จนได้มีตาแหน่งสูงก็ถูกปลดออกจากจากตำแหน่งได้หรือเมื่อครบอายุที่เขากำหนดให้เป็นก็จะหมดหมดไปได้เช่นเป็นข้าราชการเป็นถึงนายพลแต่พอครบอายุห0สปีเขาก็ให้กลับไปเป็นคนธรรมดานี่เราต้องคิดอย่างนี้ ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่หลงอยากจะได้เพราะรู้ว่าได้มามากน้อยเพียงไรในที่สุดเราก็ต้องศูนย์หมดไปคือถ้าเราตายไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาก็จะหมดไปไม่ได้อยู่กับเราอีกต่อไปเราแทบทำมาแทบเป็นแทบตายหากินมาแบบแทบเป็นแทบตายแล้วพอถึงเวลาสุดท้ายก็ต้องให้กลายเป็นของคนอื่นไป เงินทองหามาได้มากน้อยคนอื่นก็เอาไปหมดตำแหน่งที่เราอุตส่าห์วิ่งเต้นวิ่งอุตส่าห์ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้มาคนอื่นก็เอาไปหมดให้เราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่หลงไม่อยากได้หรือเราจะพิจารณาข้อที่สองก็ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นมันให้ความทุกข์แก่จิตใจของเรา ความทุกข์ที่เกิดจากการหวงการห่วงการเสียดายเวลาสูญเสียไปความทุกข์ที่เกิดจากการที่ยังไม่ได้เวลาไม่ได้ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเวลาได้แล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับอีกเขากลัว จ, จะถูกถูกถูกปลดหรือถูกแย่งไปแล้วเวลาสูญเสียไปก็กินไม่ได้นอนไม่หลับอีกทุกอยู่ตลอดเวลาให้เราคิดอย่างนี้แล้วนะให้เราคิดข้อที่สามว่า มันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นสมบัติชั่วคราวและเราไม่สามารถไปสั่งมันได้ว่าจะอยู่กับเราได้นานหรือไม่นานบางสิ่งบางอย่างก็อยู่กับเราได้นานบางสิ่งบางอย่างก็อยู่ได้ไม่นานเช่นแต่งงานกันไม่ได้กี่วันอาจจะตายจากกันไปก็ได้หรืออาจจะทิ้งกันไปก็ได้หรืออาจจะอยู่กันไปจนตายจากกันในที่สุดก็ได้แต่ในที่สุดมันก็ต้องจากกันอยู่ดี มันไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงนี่คือปัญญาให้คิดอย่างนี้ให้คิดว่าหนึ่งไม่เที่ยงสองเป็นทุกข์สามไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมบังคับได้ถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเราจะปล่อยวางเราจะไม่ยึดไม่ติดจะไม่อยากได้มีก็มีไปแต่พร้อมที่จะให้มันจากเราไป ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แล้วใจของเราจะไม่มีความทุกข์กับอะไรเลยเราจะหลุดพ้นได้อย่างท้าวร น, นี่คือการปฏิบัติการศึกษาและการปฏิบัติพอเราได้ทากิจนี้เรียบร้อยแล้วใจเราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วทีนี้เราเอาไปสอนใครต่อไปได้อย่างเต็มปากพูดได้อย่างเต็มปากได้นคนฟังก็จะฟังได้อย่างมั่นใจ ได้ะจะเชื่อและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องดังที่พระพุทธเจ้าและพระอนานตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญได้ดำเนินมาตามขั้นตอนทั้ง4ประการนี้ขอให้พวกเราอย่าข้ามขั้นตอนไปเพราะจะเป็นการทำลายตัวเราเองและทำลายพระพุทธศาสนาเราต้องศึกษาก่อนแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็บรรลุก่อน พอบรรลุแล้วเราจึงค่อยเอาไปสั่งสอนผู้อื่นต่อไปถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะถือว่าเราได้ปฏิบัติตามพระคำคำสั่งของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรายังประโยชน์ตนและยังประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทแล้วเราจะได้มีแต่ความสุขและความเจริญจึงขอฝากเรื่องของการมาทำหน้าที่ ที่พระพุทธเจ้าทรงได้มอบไว้ให้แก่พวกเรา่านี้ให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อความเพื่อประโยชน์สุดที่จะเกิดขึ้นทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบาเพ็ญกันในวันนี้